ที่พวกเราเคยมาครั้งแรกเมื่อแป่ปีที่แล้วกังนัรนไปตามอนุาตการทั้งที่ก้าวเราก็ตั้งต้นาจากผู้ลงคนต่างหวันเหมือนกับปีนี้แต่ว่าเดคทางนั่นนี่เรามาถึงที่บ้านถุกมองเร็วกว่าปีนี้ เพราะว่าเราไม่ได้ปีนขึ้นเขาเน้ำ่าลถน น, นเดินสบายผ่านบ้านพาวเวอร์โดที่นี่เราไม่ผ่านบ้านาเวอรคือเข้ามาตามเดิมก็อย่างนั้นอย่างนั้นน้นเราก็ปีนเสาต้างมันก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างนะพราะว่าภูกรเนี่ก็เป็นป่าที่ยังมีการอ น, นเรากษ์พอสมควร ต่างๆเส้นทางที่เราเดินไปก็เป็ น, นว่าเราเรามีป่ามันเยอะเท่าไหระแต่ถ้าจากภูหลงนะสองข้างทางก็จะเห็นไร่ไม้สวนยางพื้นที่ทากินก็ขยานไปถึเขตที่มันเป็นเชิงเขาแล้วก็ที่ล่างเขา แต่ถ้าเราขึ้นไปจนหลังเขาก็จะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยไร่ป่าแต่ปูกลางเนี่ยมันเป็นคอนดูนเพราะว่าต้นไม้มเยอะพื้นที่ประมาณ10ไร่แล้เป็นมีไม้มีน่าหลายชนิดผลิตมาเป็นบุญแต่ป่าาป่าแบบนี้เนี่ยก็คุ้หลอกก็คือว่าเป็นป่าที่มีหน้าที่มางที่สุดประมาณ สากคนก่อไร่สองน่าร้อยไร่ทะลุพื้นที่ป่าโดยรอบที่มีความรุนแรงของชาวประ็ชาวบ้าน ก, ก็เกิดมากขันได้แต่ว่าที่ภูกระดานรอบป่ามันไม่เพื่นเพนแข็งเลยมันก็ไม่เช่ น, น่ายในวันนี้เราได้ม า, มากินอาหารกันในป่าสมัยกตอสิบเจ็ครั้งนีโอ ก, กาสที่ได้กินอาหารกัน ในป่าปัดติกนี่น้อยนะปีที่แล้วก็ก็มีครั้งหนึ่งที่พยยาตัดต้นแต่ว่าตนไมาก็ไม่ไม่สูงตรง น, นี้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นพื้นที่เป็นยญ้ามากกว่านะแต่ไม่ใช่หญ้าชาหญ้าพงนะปีนี้เราก็มาที่ขุดง่งอีก ปุ่นงเนี่ยก็อยู่ใกล้อับวัตาสุปโตนูนะสมัยที่ชาวบ้านยังไม่มีไม่ไสร้างวัดที่เงียก็ชาวบ้านไปไปทาาําปุ่นกันเล่าประตูก็ต้องข้ามนาไข้ามพระตะข า, าวจะ ก, ก่อนไม่มีสะพานพระบอดีน้ำบาต ท, ที่หมู่บ้านนี้ก็ต้องข้ามสะาน แต่ว่าพอมอีมีวัดนี้ชาว่าก็มาทมบุญกันที่วันนี้เคยส่งนใจแต่ทางวัดป่าสุโขโธนั้นพระก็ยังมาอินทบาทที่นี่อยู่วันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันแรกแต่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยก็ยังจับว่าเป็นการขุด เ, เครื่องอยูนแค่ฟอครับเป็นแค่แตาอยื่เส้นยื่นสาย เพราะว่าหลังจากนี้นะั้นก็จะเดินกันจริงจังมากขึ้นแต่ไม่ต้องควนนะเพราะว่าสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าวันนี้ยังเข็ดขัดย่ออันนี้เป็นเป็นธรรมดาสาหรับคนที่ไม่ค่อยได้เดินไกลเท่าไหร่การมาเดินธรมยัตตาเนี่ย ใหม่เนี่ยจะต้องให้เวลาเราตัวเองประมาณสักสามปรับตัวปรับปร้นทุกเรื่องนะเกิดพาเรื่องการเตืออาจจะรวมไปถึงการนอนการตื่นด้วยร่างกายเราเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการปรับตัวาะฉะนั้นเนี่ยถึงแมาวันนี้จะรู้สึกคือรู้สึกขับเนี่ยก็อย่าเอา ความรู้สึดในวันนี้ม า, มาเป็นเครื่องวันหรือว่าจริงตจกันมากเกินไปเพราะว่าหลายคนพบว่าพอผ่านวันที่สาไปได้วันที่สี่เนี่ยที่เริ่มเล้องขึ้นสะนั้นที่ผ่านการเดิมาแล้วเนี่ยหลายสิบกินลที่ใกล้กับย่องเนี่ยมันจะเพืนตัวเร็วขึ้น รวมังการตนลงแดดทนรมวันนี้เนี่ยตอนบ่ายๆเราเดินตนลแดดสองหน้าขนาดแดดประมาณบ่ายสามหลายคนรู้สึกว่ามันร้อนมากแต่วันพระเดินในกองทําวันเนี่ยถ้าท่อเวลาแดดบ่าโมงซึ่งมันร้อนแรงมากเราก็จะตกลงมาธรรมชาติของ กายใจคนเราเนี่ยมันปรับตัวได้ไหวหลายคนเมื่อเช้าเนี่ยรู้สึกหนาวแต่ถ้าเกิดบอกว่าวันต่อตอไปจะหนาววันนี้นะเาราจะสูบุ่นจะไหวไม่นอ้องแ้เพิ่มกินก็จะไหวนะเพราะว่าเราก็จะปรับตัวได้ต้องฟังถามต่างกว่าที่สิบสิบจ็สิบแปด เราก็จะรับมือกับมันได้เช่นเดียวความร้อนเช่นเดียวความเหนื่อคนที่ <c oughs> ออกกำลังกายเนี่ยะเป็นประจำเนี่ยใหม่ๆจะรู้รู้สึกเลยนะว่าวแรกการออกกำลังกายมันลื่นยามากไหนต้องตื่นเช้าเราก็ไหนต้อง ขับเที่ยวมีเที่ยวแขยนตัวให้ให้วิ่งมีเท้ากลังกายท้าทางที่สดีต้นแบบแต่เ่าอยากทาไปต่อเนื่องเนี่ยอนที่สามนที่สี่ก็จะเริ่มดีขนะึ้นดีขึ้นในแง่ของคว า, ามทางกายและทางใจเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเนี่ยให้เวลากตัวเองทุกหน่อยนะอย่าออย่าขึ้นย่ขึ้นคิดว่าเราจะไม่หว ถ้าว่าเราทํานี้ไปสักประ3สามวันตอวันที่สี่ก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะร่างกาย่านั้นนะแต่ว่าจิตใจด้วยหลายคนจะรู้สึกว่ามันล่นสมุด น, นะลิ่นสมุดอันนี้เหมือนกับเวลาคนมาเข้าคอร์สของสมาธิภาวนาสามวั น, 3, นแรกก็จะรู้สึกว่ามันง่วง น, นวอนเมางนอนเคลีย คุ่สร้างมีนิวนรณ์แบ้วควรสำรับนะรู้สึกพ่อมากเลยเพราะว่าปฏิบัติใจไม่สงบแต่พอถึงวันที่สี่เนี่ยจะเริ่มดีขึ้นคนที่อดตามน้ำเนี่ยเพื่อรักษาสุขภาพก็เหมือนกันนะวันแรกหรื2สองวันแรกมันจะพระมากมากเลยเพราะพอเริ่มถึงตีที่ ไม่กินข้าวหรือไม่กินอาหารหนะักหรือกิน อ, อาหารนะไม่ได้กินอะไรเลยวันแรกสองวันแรกจะสูงทรมารแต่พอในวันที่สามที่สี่จะเริ่มสบายขึ้นการใช้ชีวิตเริ่มกลับคืนสู่ความเปปกติได้เลขสามเนี่ย เ, เป็นเลขเรียกว่า negative number ก็คือว่าถ้าเราผ่านเลขสามไปได้ พอถึงวันที 4, ่สี่เราก็จะดีขึ้นเ mm. พราะฉะนั้นเนี่ยจะไปจะไปกังวลมากนะกับความรู้สึกของเราหลังจากที่เดินมาทั้งวันอ <c oughs> ย่าไปคว่าวันพรุ่นี้จะไหวไหมหรือว่าเป็นวันที่เจ็ดเราจะไหวไหมไหวแ น, นนะ่นอนแล้วก็พอถึงตอนนั้นก็จะรู้สึกว่าเข้าคล่องมากขึ นี่เรื่องของกายของใจเหมือนกันนะรับแลวกระทั่งเวลาที่คนเราเนี่ยเจออะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงนั่นก็ปรับตัวได้เลยเค้าเคยมีการสอบถามความรู้สึกของคนว่าระหว่างการสศึกษาดีกับการที่ต้องที่การภายในเวลาหน่งสิปีเนี่ย เราจะเลือกอะไรเขาก็ได้นอนนะคนก็เลโลไปเลือกนะอย่างแรกก็คือ ว, ว่าถูกโรตรีแต่ว่าเอาเขจริงๆแล้วเนี่ยความส่วนคนที่โรตรีความส่วนคนที่กลาเนะไปนนหนึ่งนะปีนั้นความสุขก็ได้แตกต่างไปเขาพบ ว, ว่าเขาทำวิจัยเพราะว่าหลังจากผ่านไปหนึ่งปีเนี่ย คนที่ประสบโชคเนี่ยนะความรู้สึกมีความสุขมันก็มันก็อลดระดับลงจนระดับปกติระดับปกติคือระดับก่อนที่จะถูกอัลตรีส่วนคนที่ประสบคราะหเนี่ยนะเช่นเจ็บป่วยทุกข์กัิงนะ่ แต่ว่ า, าพอผ่านไปหนปีเนี่ยความสุขมันจะดีขึ้นดีขึ้นจนกลับมาคืนสู่ความปกติหรือระดับเดียวกับก่อนตอนที่ก่อนจะเกิดนุบอันนี้มันก็เป็นทั้งข่าวดีแล้วข่าวร้ายนะสำหรับคนที่ที่โดนท่าตูวปวยแล้วเธอจะมีความสุขมากความสุขเป็นชั่วคราวนะแล้วแล้วตีใจสัมพักแล้วมันก็กลับคืนสู่ความเป็นระดับปกติ ควาบก็เหมือนกันนะคนเราทุกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทูกข์ยานาแล้วว่าร่างกายเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่ยังจะบปวดเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกมันดีขึ้นเื่อยๆเพราะว่าเราปรับตัวได้อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของจิตนะที่มันคุ้นต้องการปรับสภาพนั้นถ้าเราต้องการให้จิตเนี่ยก็ปรับสภาพเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่นาน แต่บางคนก็ไม่ยอมให้จิตยึดติดสภ้อาหรือว่าอ่คืนสู่ความปกติก็จะเอาแต่บวยตงโวยตีพายโวยวายหรือว่ามีความเพียรแฉนชิงชังอันนี้เนี่ยนะก็อาจจะใช้เวลานานเพราะว่ามันจะเป็นการซ้ำเติมตัวไม่เปิดโอกาสให้ตเขาเนี่ยได้ทาหน้าที่ของเขา ธรรมชาติเนียน่ยนก็วันนี้จนะึงบอกว่ามันเป็นแค่การชิหลอถึงแม้ว่าวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ น, ะนจะจะลำบากจะเส้นทางจะยาวไกลนะหรือแต่จะร้อนนะก็ไม่ต้องวิจตกใจของเรากายของเรารวงทั้งเพื่อนพร้อมมิตเนายจะช่วยจนะให้เรา ผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้ไม่ใช่ผ่านแบบก้มคุอมคุ้มทนเท่านั้นนะแต่ว่าปัจจุบันท้นองสึกดีขึ้นหลายคนพอถึงวันที่แปดก็สึกเสียได้ว่ามันจบดล้วหรือยังฉะนั้นที่วันแรกเอยากจะกลับบ้านวันที่สองอยากจะกลับบ้านหรือว่าตอนไปเราจะไปไหม่ไหมแต่พอ หากใรเป็นนที่เจ็บป่วติดเตียงก็รู้สึกเสียใที่ทำห้ญาติยื่ติ่นขึที่แสดงว่าจริงเรปรับตัวได้กายก็เช่นเดกันไม่ได้ปรับตัวอย่เพียงเดียวแต่ว่ามันได้ถึงแม้มุ่ที่ดีๆที่ต้องไม่สุดเกิดความยินดีเกิดความประัใจเกิดคสนุกขึ้นมาอันนี้เกิดว่าทําไม หลายคนที่เดินมาไม่อากตาปีแล้วปีแล้ ว, ลว ก, ก็ยังมาเดินยังไม่เห็นไปหลับสักทีถ้าเป็นลูกกระดุนก็เหมือนกันนะก็ตอนที่มาปีที่แล้วหรือมาหลายปีก่อนก็รู้สึกไม่อยากจะมาแต่พอผ่านกนารเรยนมาตาแล้วพอมีเดินอีกในปีต่อไปเขาก็หมาหน้าที่ ไม่มีความจำจะต้องมาก็ได้พกก่อครูก็ได้บากคนแต่ก็มาหลายหลายคนทั้งคณะเลยก็ได้พอจบธรรมญานตาแล้วขอต่อทุกปีเรียนต่อนะจบธรรมยานตายปีแปดก็ไดเชินต่ออีกสองวันก็ไ ป, ไปดูกันนะอันนี้แต่ mm. พูดแต่ว้นี้ไม่ใช่พูดเชิญชวนแต่พูดถึงว่าอันนี้คือสิ่งที่กายและใจของเราเนี่ยมันจะเพื่อปรับตัว ทีบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องเดินด้วยไอความรู้สึกสงสัยหรือวิธีอิจฉาแบบนี้จะเกิดขึ้น้ากหลายคนก็นึกคนว่าทำไมต้องขึ้นเขาทําไมต้องเดินทําไมไม่ต้อนรบมันมีห น, นึ่งโบราณการนะที่ธรรมตามตาิเลิกใช้วิธีการเดินคือทําไม่ได้ไปเดินเนี่ยนะมันก็เรียกว่าสมรมญติไม่ได้เพราะญาติวราเดินรู้ แต่ว่าในคนที่มันมากกวนั้นก็คือว่าการเดินเนี่ยนะเป็นการสแสดงถึงความตั้งใจของเราคนเราเนี่ยเวลาเราอยู่ในห้องแอร์อยู่ในโรงแรมอยู่ท่าการความสุดสบายเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการรักษาสิ่งแ่พล้อม เ, เรื่องของการ ช่วยทำให้โลกมันดีขึ้นอันนี้นใครก็พูดนะแต่เกิว่าเรามาเรามาลำบากเรามาเดินแล้วยังยังะงพูดเหมือนเดิมว่าโลกกำลังต้องการการอนุรักษ์ธรรมชาติต้องการการพื่นฟูอันนี้แสดงว่าเราตั้งใจจริน การเดินมันเป็นเครื่องชี้เครื่องแสดงว่าเรามีความจริงใจและจริงจังกับสิ่งที่เราพูดคือเรายอมลำบากเพื่อที่จะยืนยันในสิ่งที่ที่เราเด็ดลองการแสดงความจริงใจเนี่ยมันแสดงออกได้ด้วยการที่เราพร้อมที่จะลำบาก และเราก็จังยืนยันทาในสิ่งที่เราถือว่ามันเป็นสิ่งสําคัญอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยก็มีหลายคนเนี่ยเดินนะเดินแล้วก็เดินไกลกว่าเราบางคนเดินจากสุ ร, ราษบางคนเดินจากเพชรบุรที่เดินไปแล้วก็มีที่กําลังเดินอีก็มีเขาเดินเพื่อที่จะมีติดหบายไปทางที่ทพาาราวบุญบาราชวัา ก็ต้องการมาสักการะพระบรมศพทำไมเขไม่ไม่เลือกนั่งรถทัวร์นั่งรถไฟหรือนั่งเครื่องนินเพราะเขต้องการที่จะที่เห็นว่าเขามีความสำนึกในพระมหากรณาธิคุณมากแล้วก็พาพ้อเที่หนึ่งยากเพื่อที่จะแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนั้น ันแสงเห็นว่าเนี่ยเามีความจนรับผิกดีมากแล้วก็ทราบซึนงในคระมเกรียิธิคุณจนความที่จะยอมเหนอยอมลาบากเพื่อที่จะมาเรียกว่ามาแสดงความตั้งใจลูกมเป็นขั้งสุดท้ายก่อนที่ประสรีระจะสลายกายเป็นอากาศสัตวันคือสุดินหน้าลงไฟ เป็นการตอบย้ำเป็นการแสดงความตั้งใจไม่ใช่เป็นการทําเพื่อโชว์เพื่อภาพลักษณ์อันนี้ก็เป็นเป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ทําให้ธรรมญาณตาเนี่ยเราใช้วิธีการเดินเมื่อเราเดินมาเนี่ยคำพูดของเราจะมีน้นำหนักเวลาเราพูดเวลาเราชวนชวนให้ชาวบ้านช่วยกานรักษาป่าช่วยกันรักษาแหล่งน้ํา เขพูดวเราจะมีน้หนักมากขึ้นเพราะว่าเรายอมที่จะเหนื่อยเพื่อที่จะมาเชิญชวนวิงวอนให้ชาวบ้านเขาช่วยกันรักษาธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอเดินแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดสนใจชาวบ้านตขาตั้งคำถามว่าทำไมรต้องเดินมันก็ทำให้เกิดการสนทนากัน เราก็จะอธิบายว่าที่เดินเพรอะไรมันจะมีน้ําหนักแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนมาสงสัยไต่าถามมากกว่ากรณีที่เรานั่งรถที่อยากเป็นการเดินเนี่ยมันก็เป็นเป็นเสมอกับการจาราจรทุ่งดอความเป็นไทยแล้วก็มีแนวทิศเดิ่องพนี้มีความเชื่อมพวกนี้ ชาวเขาเห็นชาวบอ้านก็เห็พวกเราเดินมีพระตามมีได้ชี้แล้วก็มีญาติโยมตามมาเดินในสมุทรเขาคิดว่ามันจะเป็นขบวนอจาริกบูชาแล้วก็อยากจะมาต้อนรับเอาน้าาํามาให้เอายามาให้เอาหารมาให้เขาก็ถือว่ามันจะเป็นการทําบุญอย่กัน เัาก็ทำให้ได้มีการสนทนาคุยกังในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดลอ้อมรวมเรื่องธรรมะอูอันนี้ก็เป็นเรื่องประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะเป็นประโยชส่วนส่วนรวมในทางที่ชวนชวนกระตุ้นให้ผู้คนเนะีตนื่นตัวเรื่องสิ่งแวดลแต่การเป็นประโยชต่อตัวเราเองด้วยแต่ก็ยังต้องทำอย่ น, น่ะ ก็อยากจะชี้เห็นว่าการเดินนี่มเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะในการที่ทําให้ผู้คนตื่นตัวในประเด็นที่เป็นประโยชน์เป็นสาระาประโยชน์มันเป็นการเดินการเดินเป็นเครื่องมือเก่าแกนะ่ที่ผู้คนใช้นะในการที่จะเผยแผ่้อคิดความเห็นหรือว่าต้องการสื่อสาร คือเรยนเรียเมื่อสี่สิบปีก่อนเนี่ยเขาเขตที่กําลังมีประจําประเทศคือภาคเหือมันมีการให้สัมปทานบริษัททําไม้ตัดต้นไม้ต้นใหญ่ๆซึ่งเป็นซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ชาวบ้านเนยได้พึง่งพาอาศัยชาวบ้านก็อาศัยป่า <c oughs> ก็เหมือนชาวบ้านที่ รัฐบาลในในรัฐนั้นเนี่ยที่ประจําประเทศก็ให้สัมปามกับบริษัททําไม้ชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจแต่ก็ก็ไม่มีกําลังที่จะไปสูก้กบตอกหนูจะเรียกร้องรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่สนใจเขาก็เลยใช้วิธีการโกก่อผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเด็กก็ดี ไปโอบกอนต้นไม้เพื่อไม่ให้บริษัททำไม้เนี่ยหรือคนตัดไม้ที่มาตัดอันนี้คือสิ่งที่เคยมีการทำมาแล้วเนี่ยเมื่อร้อยปีก่อนตออหลังก็พอมาถึงยุคนี้เขาก็ทำอีกแล้วก็ได้ผลนะพวกบริษัททำไม้เนี่ยเอาเรื่อยมาเอาขวานมา พอเจอคนผมกออต้นไม้เขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่มันก็ยันยันได้ช่วครารัฐบาลก็ต้องหาตำรวจมาล่าชาว บ, บ้านเหล่านี้ออกไปเพื่อที่จะได้มีการตัดไม้ได้สะดวกเพราะนั้นก็ต้องมีการทำกันอย่างจิดจังมีอาสาสมัครมาม า, มาเป็นมาอกก่อ แต่ว่าจะทำไม่ได้ผลมันก็ต้องมีคนจำนวนเยอะเขาก็ใช้วิธีการรณรงค์นะผู้นาท้าองในชื่อสุนเดนราสุนเดนราก็คือสุนทรลาภภูคุณหน้าหรือเขาคุณเขาเป็นชาวบ้านนะแต่ว่าก็ามีความต่นตัวเสียงเราก็พยายามที่จะไปเชิญชวนให้ผู้คนเนี่ยในหมู่บ้านต่างๆหันมาร่วมกระบวนการนี้ซึ่ง ตอนหลราก็เป็นที่รักกันว่าจิปโกจิโกหรือชิปโกในตอนกบก็ใช้วิธีการเดินเดินแล้วก็เดินไปขบวนยาวๆแล้วก็มีการร้องนาทําเพลง่าถึงหมู่บ้านมีการทําสมาธิพนาแล้วก็เชิญชวนผู้คนให้ถือตัวหรือผู้นีน้มาช่วยละปกก่อต้นไม้พราะพุธนี่สมถันกว้างมากคนก็ร่ม ว, ว ม, มือนะแล้วตลังก็ไม่ใช่แค่อบ ก, ก่อนเยอะแต่ว่รวมพลังกัน การรัฐบาลเพื่อให้ยกเลิกการให้สับปทานสำเร็จนะเขาใช้วิธีการเดินเป็นเป็นอุปกรณ์นะเป็นเครื่องมือในการเผยแทร่สารตอนที่อเมริกาไม่ได้แจ้กรัสเซียอเมริกาเนี่ยเขาเขาไม่อยากจะเห็นสองประเทศเนี่ยแข่งขันสร้างกำลังอาวุธเลยว่าวุ่นวีย รัฐบาลก็สาสมินเพืเคลียร์รัฐบา อ, อังอเมริกันรัฐบาลรัเสเซียก็เหมือนกันอันนี้ก็เมือสามสิบปีที่แล้วประชาชนที่รักสณนพภาพก็เลยจัด ก, การเดินเดินจากฝั่งตะวันตกนะก็คือแาวิริกคนเดียเดินข้ามประเทศเรียงฝั่งตะวันออกอุนไกลนะห้าพกิโล ก็เดินอย่างเลยนะใช้เวลาหลายวันถ้าเป็นเดือนหลายเดือนทีเดยวก็เดินต่อไปรัเสเซียเลยนะคือในร้านสองประเทศเ น, นี่งเริ่สะสมกำลังอาุธมันก็เป็นคาวามใหญ่ลงไปก็ไม่ได้ผลทีเดียวนะแต่ว่ามันเป็นการสร้างกระแสให้คนตื่นตัวว่าเราจะสะสมอุดิฟ เ, ไ, เปไปมันจะเกิดสงครามโลกคั้ที่สามโลกของตา่าง ในช่วงปีที่แล้วก็มีการเดินเพื่อสันติภาพในโอกาสที่ครบรอบ50ปีของการยุติสงครามวันที่2ก็มีพระญี่ปุ่นนะเป็นผู้นำนิกายนิคานซังมวยบจิตใช้ถึงพิธิกายนี้เนี่ยกขาจะโอนหัวแล้วก็จะใช้วิธีการตีกรองตีกรองให้เห็นที่เราตีที่เราก็ไปเอาแบบมา กลองแล้วก็สวงมันเรื่อโมเมียร์โฮเรนเกติโตอนแรกเาก็ทำเฉพาในประเทศประเท ศ, เทศญี่ปุ่นต่ลังเขาก็ขยายมาเชิญชวนคนในยุโรปาก็เป็นตัวตั้งตัวตีเพราะว่าสม ร, รงทม่สองมันตีเมื่อมีการที่ระเบิดปรมาณูที่โรชิมาและนานาซากิคนญี่ปุ่นเดือร้อนมากคนตายเป็นแสน ตายบงทีเลยนะละที่ตายเพราะโรมาเรียมากมายก็ก็อยากจะทําให้คนตื่นตัวก็เลยชวนคนยุโรปมาร่วมเดินจากประเทศโปแล น, นเริ่มต้นที่ค่ายกับกัร น, นาซีที่วอาชูซึ่งเป็นที่ที่คนนาซีที่ที่คนอยู่เนะนี่ยถูกฆ่าวันเกือบ1 8 0 0คนถูกฆ่าวัละหลายพันคนนทุกวันทุกวั น, ท, ว น, ท, วนทุกวันเนี่ยเป็นเวลาหลายปีตัวเวลาเนี่ย 8รายเป็นไข้มารงซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีการเอาเเอาไว้เพื่อเป็นอนุสอนตื่นใจวก็เดิ น, นจากโกลัเดินมาจนถึงเมืองไทยเนะข้าเมืองไทยทางด่านสะเดาจากเมืองไทยก็มากรุงเทพจากคอนสงขลามากรุงเทพจากกรุงเทพก็ต่อไปคัมเมรจากพมเมร์ก็ไปเวียดนามจากเวียดนามก็ต่อไปญี่ปุ่น เช้าแรกประมาณแปดโมก็มีคนไทยไปรูมเดินไนี้อันนี้ก็เพื่อเป็นการปลุกให้คนตื่นตัวเรื่องของการเรื่องของการรักษาสติภัญาและการเดินที่มีชื่อมาการเดินคาทีคาทีการเดิ น, น, เดนเดินเพื่อปรท้วงกฎหมายเกลือกแปดสิบปีที่แล้วนี่อังกฤษก็ไม่ให้ คนอังคนเดียทําเกลือนะทําเกลือที่ห้ามทํำนะรัฐบาลปูกข้าวรัฐบาลทําเกลือที่ดูถังกฎระเบียดนี้ก็มีเยอะที่ไม่ที่ไม่ห้ามให้คนปลูกข้าวนะถ้าเกิดงเป็นที่ปลูกข้าวก็คงจะห้ามคนเยอห้ามคนเยีรมปลูกข้าวเอาเกลือส่งข้าวมาขายการที่ก็คัดค้านบรรยากาศใช้การเดิน ได้นทาง400กิโลเมตรจนถึงถึงิทะเลแล้วก็ทำเบื่อแต่จุดสำคัญของการเดินเดินประมาณ24วันทีแรกเดินก็อีกมา60คนอันทีก็กัวเราะเยาะว่าเดินไปเถอะนะไม่มีอะไรหรอกมันจะมีอะไรเกเดินมาแค่60คนนำโดยคนแก่ๆอายุ60จริงเดินบอกว่าคนก็ยิ่งมาสมทบมากขึ้น จนต้องเป็นหมื่นนะพอไปถึงจุดหมายนี่หงคนนี่หลายหมื่นทีเดียวบางทีตินต่ใจซนะการเดินที่มันมีหลังมันเป็นจะเรียกว่าเป็นอาวุธของคนยากไรนะแล้วก็เป็นวิธีการในการให้เผยแพ่เอฟเฟซิการ์ ส, ส, ส, ส เราก็ไม่ได้มีกำลังอะไรมากเราก็ต้องการข่าวสารเราก็มีเพียงแค่ว่ากระตุ้นให้คนตื่นตัวเรื่องธรรมชาติรู้สึกนั่นนองอย่างที่เราพ่ อ, าพอพูดเสมอหลวงพ่อู้สมอว่าป่าไม้นะภูเขาร้องไห้นะแม่น้ำเป็นแม่น้ำร้องป่วยป่าไม้เราเนียตายแต่ถ้าเราสับความสิ่งนี้เราก็จะเกิดความตื่นตัว ยิ่งทะเราเห็นตอบเราว่าถ้าธรรมชาติจะทําลายเราเองลูกหลานเราเองก็จะเดือดร้อนด้วยยิ่งจําเป็นต้องทํำหลายสิ่ง ห, หลายอยา่างวิธีการเดินเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่มีเป็นมีพลัมมงในทางกระตุ้นใจคนตรวนี้เรื่องที่เป็นเกี่ยวกแบบับสาระประโยชน์อะไงนั้นนะแต่มันเป็นเรื่องของมนพลังในการที่จะเปลี่ยนแปลงภายในคือ คนแต่กรอนนี่ก็ใช้การเดิน เ, เนี่ยเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในที่คุ้นเคยวคือการเดินทุดงการเดินทุดงจะเดินทุดงคนเดียวหรือเดินทุดงหลายคนเนี่ยจุดหมายปลายทางไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่ว่าไอสิ่งที่ได้ประสบพบเหตระหว่งางการเดินเนีมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงจิตใจเดินได้ไม่ใช่เดินป่าเพื่อไปหาที่สุก ในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมเพื่อพบกับความสงบวิเวณวันนั้นบาทิทีปานก็ไม่ใช่วิเวณเดี่ยวมันก็เป็นเรื่องอันตรายแต่ว่าความกลัวที่เกิดขึ้นจากอันตรายทั้งที่ิเองหรือที่เกิดขึ้นต่อนหน้านมันก็เป็นอุปกรณ์สอนธรรมได้เหมือนกันหลายคนเนี่ยนะได้เรียนระู้จากการที่ ความกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากรุนแรงแล้วก็ได้ไปรู้ว่าจะก้าวข้ามความกลัวได้อย่างไรหรือว่าจะอยู่ความกลัวได้อย่างไรก็ได้คนพบวิธีการที่จะเอาชนะความกลัวจนกระทั่งหลายท่านเนี่ยไม่กลัวตายจากการบุนผู้จมตีไม่ใช่เพราะไม่มีความกลัวตั้งแต่ไดนะ้นะมีแต่ก็ได้เจอกรรมมาบ่อยเนี่ยจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ รู้รู้เล่หเหลี่ยงของมันหรือรู้ทางคนเราเนี่ยนจําเป็นมาเกี่ยวต้องอเออาชนะกิเลสได้แต่การจอาชนะกิเลสได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการที่มันโผล่ม้เราเห็นเลยก่อจนกระทั่งเรารู้ทางเราสามารถจะรับมือกับมัได้ไม่ใช่ใช้วิธีกดข่มอย่างเดียวกดข่มเดียวมันก็ได้ผลชั่วคราวนะ แต่มันมีวิธีที่ดีกว่านี้หลายคนได้พบตัวเองเนี่ยจากการเดินเดินยาวไกลอาจารย์ประมวลเห็นจันนั่นท่านเดินจากเช็งใหม่ลงไปสมุทรชื่นเป็นบ้านเกิดระยะทางก็เกือบ 2,000 กิโลใช้เวลาเดินก็เกือบ2เดือนทราบว่เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในมากทั้งนําที่ลำบาก บางช่วก็เกิดตายแต่ว่าสมมติผมเห็นระหว่างทางทั้งน้ำใจในใจของผู้คนทั้งความรูการรู้เพียรจามแต่ว่าก็กลับทำให้ใจิตใจทั่นเนี่ยโปร่งโล่ของใสเคยมาท่านเคยไปวัดหนึ่งครับไปวัดหนึ่งแถวแถวประตูนี่แหละแต่ไม่ได้เขียนท่านบอกไม่ได้เขียนลงมมันจะนึกถึงเรื่องโดยสุเสราภาพ หรือี๋คนจะสงสัยว่าเป็นว่าอะไรเดี๋ยวก็ต้องอธิบายว่าวันแต่ก็ไม่อยากไม่อยากจะโกแต่ว่าผู้ส่วนตัวนั่งก็เล่าเดินมามาเข้าไปที่วัดมันจะประชุมตอนนั้นแต่งตัวสารรูกก็เรียกว่าโสมเด็มทีนะเพราะว่าเดินของประจารบมวลเนี่ยไม่พกเงินไม่มีการปกเงินแล้วก็ไม่มีการขอของข้าวขอน้ําจากไข่สุดท้ายแบบคนจะให้ เป็การเดินที่ลำบากต่อพระทูดงนะเพราะพระทูดงเนี่ยไปไหนเนี่ยก็มีโยมตอนนะอย่างน้อยน้ตอนเช้าก็มีคนใส่บาตอบางทีในใจก็มีรถมาจอดคนะเพราะรัรวไม่เหมีอนตรายแต่ว่าคนเห็นสารลูป ม, มันจามประมูลเนี่ยก็ไม่รู้เป็นคนบ้าหรือเปล่าเป็นผู้ร้ายหรือเปล่าเป็นวิชาชีพมั้ยจารีวัเนเคยเลยไปที่วัดหนึ่งนะตอนเย็นๆท่านจะขอเพื่อจะขอพักอาศัย เกื่อพระไล่ส่งขอที่ไล่เล ย, ลเลยใ้ไปที่ชาวประมงแทนที่จะเสียใจแทนะที่จะแห้งเครื่องนะกับยิ้มหนะกับหัวอกกับสกับกราบทานหนึ่งด้วยความซาบซึ้งก็ทำให้ได้เห็นเลยว่เราโลกธรรมเป็นอย่างนี้เองนะสมัยเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์อยู่ที่เชใไม่ได้รับเชิญได้ไปสอนพระที่มอจารอ พระก็ขะเขารพนับถือเป็นอาจารย์ถ้ า, าพระกราบถ้ า, าพระไหว้ก็จะไหว้นะอาจารย์เพราะว่าเป็นที่ที่รักนับถือของลูกศิษย์มากทั้งพระทั้งโยมสมรรภาพดีมากแต่พอมาเดินแบบ น, น, น, นี้ถูกภาคไล่นไม่โกรธเลยนะท่านกลับจิิงแล้วก็กลับทราบซึ้งว่ากำลังได้ ได้เรรู้สันตธรรมนั่งจากหลพอ่อแล้วถ้าเกิดเจออะไรหลายอย่างนะไม่ใช่เฉพาะความทราบซึ้งความนับใจของผู้คนที่ยากไรแต่ว่าการที่ได้เจออะไรที่มันกระทบใจก็ทําให้เกิดการเรียนรู้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใ น, นจนกระทั่งรู้สึกว่าจิตใจเนี่ยเป็นอิสระมากขึ้นตั้งแต่ใช้ชื่อเขียนหนังสือ ที่บันทึกการเดินทางทีมัเดินสู่สรภาพการเดินเนี่ยมันําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงภายในมากหลายคนเนี่ยเลือกการเดินในยานที่ประสมวิกฤตในชีวิตมีก็มีคนมึงนะชื่อตัววีที่คุ้ชั่วบาโชบาโชแป ว, ว่าไปต่อไปต่อเป็นตัววีที่มีชื่อเสียงมากเป็นตวีที่เก่งในเรื่องของ แบบแผนที่ชัวรให้ปูแช่สองแห่เจ็ดตัวแต่ขณ น, นมีชื่อเสียงแล้วก็ยองสึกมีความไม่มิ่นใไใ น, ไนก็คล้ายๆว่าใจไม่สงบแล้วก็ตลงใแช้ก็เลยตัดสินใจเลือกทิ้งนะทิ้เกียวโตบงเพ็ญที่ขาจานเดินเดินเหตุภูมเกียวโตขึ้นเหนือแล้วก็ลงใต้ รมแล้วประมาณ 5,000 กิโลก็ประมาณเดินจากกรุงเทพเชียงใหม่เจ็ดครั้งนะกรุงเทพเชียงใหม่เป็ระมาณ700กิโลเจ็ดครั้งก็เกือบ 5,000 กิโลตบว่าหลังจากการเดินแล้วนี่ก็วี่นนิพนธ์อนนี้เดินนิ่งมากเล ย, เยว่าดีกว่าเดินแต่ทงังต็อนิ่งกว่าเดิมอันนี้กเ็เป็นเรื่องของคนที่คน เปลี่ยนแปลงเองจากการเดินด้วยการเดินเนี่ยมันเปการปฏิบัติธรรมอย่างที่มันทาให้เราได้เห็นตัวเราเองแล้วก็ทําให้เราได้ค้นพบความสุขที่ลุ่มลึกอยู่ภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์หลายท่านเนี่ยท่านก็ใช้วิธีการเดินเยอะทุกตัวแต่พวกเราเนี่ยมาเดินธรรมยาตนา์เนี่ยก็คงจะเห็นได้ว่าเราได้เรียนรู้จักตัวเองมากขึ้นถึงได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น มักจะเป็นอารมณ์ฝ่ายลบเช่นว่าอนิจจ่าลงความกลัวความหงุดหงิดความท้อแท้ไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นต้นทีนะเพราะว่ามันโผล่เเ า, า, เเาเพื่อให้เราเรียนรู้อารมณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเรียนรู้ถ้ามันไม่เกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นปัญหาเพราะว่าเราจะเรียนรู้จากมันไม่ได้เลย บางทีการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องขยา่านต้องขย่าจิตใ จ, ใจใตัวเองเนี่ยด้วยการที่เคยเจออนิจารมพอเจออนิจาลมเนีในใจิตใจมันจะมันจะว้าวุ่นไอ้พวกกิเลนต่างมันจะโผล่มาให้เราเห็นในงั้นเนี่ยันก็กบการนะพอเป็นกบ ก, การเนี่ยบางทีเราก็ประมาทนะว่าว่าเราดีแล้วหรือวิชนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีไม่มีทักษะในการที่จะรับมือกับมัน เหมือนกับนมวยเนี่ยที่ไม่เจอคู่ซ้อมอะไรยะไอย่งเงี้ยจะเก่งได้ยังไงนักมวยน้ำมวยเนี่ยต้องเจอคู่ซ้อมที่ทีมพอพักพอเหวเี่ยงกันเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆเนี่ยเราก็จะชำนาญการเดินเนี่ยมันมันมันช่วยนะในการที่จะทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการที่จะรับมือกับความทุกข์และอารมณ์นนที่มันเป็นแบบพุ่งส่ซึ่งมือชาเนี่ยก็ได้พูดไปแล้วนะว่า ให้ความย่ำลำบากมันบังคับให้เราต้องคล้องหาธรรมะเพื่อแก้ทุกข์ <Yeah. S 1> ปกติเวลาเราร้อนเราก็เดินเราก็ไปเปิดแอร์เราก็ไปหลบใต้ล่มไม้แต่เดินทม่ยัตายมันหลบไปได้มันหนีไม่ได้ไได <Yeah. S 1> เพราะเดินเราก็ต้องเดินแต่ยังไงยังไงเนี่ยเราเดินเจอแดดร้อนทางไกล แต่ว่าใจไม่ถูกเขาก็ต้องใช้ธรรมะต้องเอาธรรมะเป็นพื้นเมืงจะพึ่งรบไม้ก็ไม่ได้จะพึ่งชายคา บ, บ้านเรือนในยามร้อนก็มันก็ไม่ได้ทำได้ตลอดเวลาจะหนีก็ไม่ได้จะเขอาแอรก็ทาไม่ได้สุดท้ายมังต้องหาธรรมะและธรรมะมันก็เป็นแต่ในใจเรา ก็จได้การเดินนี่มัช่วยให้เราได้เห็นสภาพธรรมชาติต่างๆมากขึ้นเห็นความสำงานของต้นไม้เวลาลลวเรานั่งรถทัวร์เนี่ยเราน้อยครั้งที่เราจะเห็นว่าต้นไม้มันสำคัญยังไงเวลาเดินรถทัวนั้นคือบินแต่พอเราเดเาจะรู้เลยถ้าไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีร่มเงาไม่มีร่มเงามันก็นรอ้อนเราจะรับต้นไม้มากขึ้นเลยนะถ้าเรามาเดินธรรมยาตรา เราเป็นความสํคาคัญการที่จะปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นเพราตัวนี้มัเห็นพุทธคามธรรมชาติเพราะว่าตัดตัวออกจากธรรมชาติไปเพึ่งพาเทคโนโลยีมาใช้ร้อนก็ไม่สนเพราะว่ามันจะท่องแอร์แต่ถ้าเราต้องมาเดินเราจะเห็นเราจะเข้าใจผวมถ้าได้เห็นถึงได้สัมผัสกับความเมตตากรุณาชาวบ้านความเอื้อเฟื้อเมื่อถ้านำรถก็ไม่เห็นนะ ไม่รู้สึกไม่ได้สำคัญนั่งเครื่องบินก็ยินแล้วเนแล้วเราก็จะรู้เลยว่าโความแม่นตานี้สําคัญมากมันมีสิ่งดีๆที่เราพบเห็นระหว่างทางตลอดเวลาทื่มาช่วยปล่อยให้จิตใจเราได้ก็พอใสายการเดินนี้แหละทั้งหมดนี้ก็เป็นอนิสงส์ในบางส่วนนะของการเดินไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือว่าเพื่อประโยนส่วนตนก็นกนแล้วแต่ ก็อยากไ้ราลองสังเกตดูแล้วก็สมควรนะ้อกราบพรงค์ก่อน